สาใจเราไม่ยอมรับธรรมะวงเล็บเปิด14มีนาคม25งพหเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาที46วงเล็บปิดรู้สึกไหมว่าธรรมะสอนเราตลอดเวลานะยังเขาสอนว่าไม่เที่ยงสอนว่าเป็นทุกข์สอนว่าเป็นอนัตตาใจเราตั้งหากไม่ยอมรับธรรมะสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเราอยากให้หายไปใจเราไม่ยอมรับความจริงว่าเราบังคับไม่ได้เช่นนั้นเราจะภาวนาไปเรื่อยเพื่อวันหนึ่ง จิตเราจะยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ตรงที่จิตเขายอมรับเนี่ยจิตเขาจะหมดความดิ้นรนตรงที่จิตหมดความดิ้นรนจิตจะไปสัมผัสธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือไปสัมผัสนิพานเข้าฉะนั้นเราก็ไปดูอย่างนี้แหละห้ามมันไม่ได้หรอก